จบเสียงานไปกินอากาศ ร, รมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นภาคต่อจากเรื่องเกร็ดประวัติหลวงปู่มั่นดาวนโหลด mp 3ได้ที่โจโจ้ดอทเน็ตสำหรับเสียงงานทุกเรื่องเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมจัดทาเพิ่มเติมอีกดังนี้สุภกิจนิมมานรเทพพิรพั์อุตตรสริติกุล ไผ่สารเตชาวลีกุลสุภาพรเทียมบุญประเสริฐนิชามาโสภาอิทธิโชติศิราพาสกุลพลพร อ, อภิวัฒนาเสวีสำรวยพุ่มพวงปัญญาโกจันนภัชชาถวินกมลพัฒนนาตยาสีโพัพนทิพสันติภากรอ้อยพรจึงมิวัฒนาพอนอารอรดาตามสกุลระพีพรกรมมั ช, ชพลนภัทมนแ์แซ่พานร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิต ท, ท้ายเรื่อง